การเพื่อนเฮียนถึงอาเจียนเพื่อนเรียนหัวรอฉันเริ่มเป็นข่าวครูใหญ่เรียกไปตัอง สับซื่อสีเธอ ให้คิดโทษหนุ่มหมอซาแม่เป็นคนก่อบคำว่าพออ่าอ คนกอคันว่าพออย่าขอ